โดยหลวงพ่ออินทไวายสันตุสโควัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงทรรในวันที่19มีนาคม2558มีชื่อเรื่องว่าใช้ปัญญาข้ากิเล วันนี้เป็นวันที่สิบเก้ามีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้เป็นวันพระแรมสิบสี่สิบสี่ค่ำเวันนี้ฮ ะ, ะ, ฮะเดือนสิบห้าว่ะฮะแรมสิบห้าคำเดือนสามเดือนสามดับแต่ตามไม่จริงกับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่ามันเป็น แปดสองหนมันเป็นเดือนสี่แล้วเดือนนี้แต่นี่นยังมันเป็นแปดสองหนก็เป็นวันวันมาข้าบูชาเมื่อวันพระก่อนนะอันนี้เป็นเดือนสามดับจะ <c oughs> เป็นเดือนไหนวันไหนก็เถอะนะเป็นวันทําคุณงามความดีของพวกเรานี่ยแหละถ้าคิด ทำชั่วแล้วก็มันชั่วทั้งวันไม่เลือกวันไหนวันพระวันโยมนะ่ะไม่ไม่รู้วันวันพระวันโกนอะ่ะถ้าทำชั่วมันชั่วได้ทั้งนั้นถ้าทำดีก็ดีได้ตลอดไปเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพระอุโบสถพวกเราได้ลงลงอุโบสถจบลงศักดครูนี้เราลงอุโบสถตอนเที่ยงแต่นี้ก็เข้าเวลาบ่ายโมง แต่ทิ้งยังไงพวกเราทุกท่านทุกวันทุกวันนี้เกือบทุกปากที่มาหาเพราะมันสื่อมันไปทุกหัวละแหง เ, เขาเอือมละอาเรื่องของพระแต่ตามไม่เจีบ ม, มันก็ก้าวไกลการเกินไปที่หลวงพ่อฟังถ้าว่าพระไม่ดีกับว่าแต่พระไม่ดีแต่โยมไม่ดีมาเห็นว่า โยมไม่ดีมันเยอะแยะไปหมดเลยคือเขต บ, บาลแต่ละคนเกือบจะว่าไม่ผิดพุทธนะพระก็เหมือนกันโพดออกมารู้สึกว่าไม่รู้อะไรต่อไม่อะไรกราบพระไม่ลงหากราบพระยาก <c oughs> เราได้ยินแล้วเราก็ไม่สบายใจ หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าถ้าหากกล่าบพระไม่ลงกล่าวพระอยากกับกลาวตัวเองสิอย่าไปหากราบอะไรพระกล่าบตัวเองไะกล่าบตัวเองกับกราบไปลงอีกมองเห็นแต่ความชั่วตัวเองคิดกับคิดชั่วทําทําชั่วพูดกับพูดชั่วอีกต่างหากเลยไม่รู้จะกล่าบอะไรเอย ถ้ไม่กราบอะไรก็กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็พอแล้วละ่ะกราบสิ่งที่เลิศเลิศเลิศประเสริฐพระนันขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะสรุปแล้วก็คือที่พูดทางนี้ทางนั้นก็ให้พวกเราโอปัยญโกนูให้มองดูตนเองที่เขาพูดอย่างานั้นขึ้นมาเราเป็นใครเราเป็นพระเราเป็นพระในพระพุทธศาสนา ที่เขาพูดอย่างนั้นขึ้นมาแล้วก็เราก็มองตัวเองเออใช่มันจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าหรือว่าการที่เขาพูดไปนั้นอะ่ะออมันหลวมปากก็พูดไปหรือเป็นความจริงถ้ามันเป็นความจริงอย่างที่เขาว่าเอข้าพเจ้าเนี่ยเป็นพระสากยบุตรพุทธชินนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งข้าพเจ้าอยู่ในจะอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในกรอบศีลธรรม อยู่ในฮิลิโอตปะอยู่ในศีลและวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างไรเราจะปฏิบัติตามนั้นสิ่งที่มันไม่ดีเราก็จะไปริคิดริธรรมริพูดแต่เดี๋ยวนี้ดูๆแล้วพวกพระของเรา <c oughs> ถ้ามุง่งมั่นมุ่งหวัง ตามหลักธรรมคำสอนด้วยปฏิบัติธรรมศีล ส, สมาธิปัญญาก็ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่อันนี้พระของเราก็โลกเขาสแสวงหาลาบยดสรรเสริญสุขหาโลกหาลาบพระก็เลยไปแย่งหาลาบกับเขามันก็เลยยุ่งทําค า, าวาสของเขาเขามีครอบครัวพระก็ไปหาแย่งมีครอบครัวกับเขาก็ยุ่งค แต่พระไปหาเงินกับเขาเขาเป็นคนหาเงินเราไปหาเงินกับเขามันก็เลยยุ่งแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าเราไม่สแสวงหาสิ่งภายนอกเรานั้นมีแต่สแสวงหาธรรมหาศีลหาธรรมหาสมาธิปัญญาเข้าสู่จิตใจมันก็คงจะไม่ยุ่งผมว่านะหลวงพ่อว่านะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคิดนะอเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ได้พูดเรื่อง จริยธรรมศีลและก็จริยธรรมเมื่อเช้าเนี่ยผมได้พูดเรื่องสมาธิธรรมอแต่สําหรับพวกพระของเราให้ใช้อผมจะพูดเรื่องปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาคำว่าปัญญาคํานี้กว้างกว้างกบไปหากินเขียดมันก็ใช้ปัญญาของมันนะ <c oughs> ถ้าว่า ง, งูงู งูไปหากินเขียดมันก็มีปัญญาของมันถ้างูตัวไหนมันโง่มันก็ไปหากินกบกินเขียดมาหากินไม่ได้เพราะมันมันโง่คนก็เหมือนกันใช้สติใช้ปัญญามากหลากหลายในการทำมาหาเลี้ยงชีพบางทีก็ใช้ปัญญาไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะว่ามิจฉาสมามิจฉาปัญญามิจฉาปัญญาหากินในทางที่ไม่ถูกต้องมิจสัมมาปัญญา ปัญญาในทางที่ถูกต้องถ้าหากว่าปัญญาหากินเบียดเบียนตนและผู้อื่นอันนั้นว่ามิจฉาปัญญาถ้าสัมมาปัญญาไม่เบียดบน่นไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นไปในทางที่ถูกต้องเป็นในทางที่เป็นธรรมอันนี้นเลยว่าปัญญาสัมมาปัญญาเพราะฉะนั้นให้พวกเราดู ใจของเราเองนะไม่ต้องดูใครอื่นถ้าดูใครอื่นมันยากมากไม่รู้ว่าใครต่อใครในวัะสรรงสารเน่า <c oughs> นาเถนสัตว์ธิ่รานก็ยังยุ่งเหยิงวุ่นวายแล้วมองดูหมู่พวกเพื่อนศรัทธาญาติโยมมากมายมหาศาล ท, ที่ใช้ปัญญาไปในทางที่ไม่ถูกต้องเบียดปัญญาเบียดเบียนบั่งปัญญา โดโกงบัตรบางคาใช้เล่เหลี่ยมบังบังทีปัญญาค่าคนอื่นบั่งปัญญาหลอกลวงหลอลวงหาทรัพย์สมบัติบั่งมีมากมายปัญญาคำนี้แต่ปัญญาสัมมาทิฐิปัญญาอะไรปัญญาสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ปัญญาพิจารณาในการกลองไตรตรองด้วยสมาธิเมื่อจิตที่เป็นสมาธิแล้วจิตที่เนื่งแล้วจิตที่ผ่านความสงบแล้ว เมื่อจิตที่ผ่านความสงบแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาพิจารณาอะไรจิตใจของเรามันหลงอะไรมันหลงร่างกายมันหลงร่างกายเพราะมันหลงร่างกายมันก็เลยหลงไปทั้งหมดหลงร่างกายหลงยังไงว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเสร็จสวยงดงามเป็นของจิรังถาวรเป็นของที่จะตายไม่เป็นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในความรู้สึกมันหลงทั้งขนาดนั้นะ แต่ตามไม่จริงมันไม่เป็นอย่างที่ใจของเราคิดนึกที่อยากจะให้มันเป็นแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันได้ร่างกายมาแต่งออกมาจากท้องแม่ที่เราไป ป, ฏ, ป, ฏ, ป, ฏ, ปฏิสนธิเ่ยตั้งแต่การล ะ, ะการละคืออะไรคือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านพูดในพระไตรปิฎกนะ อันนี้ก็เป็นข้อคิดนะท่านวัดเมื่อพ่อแม่อยู่ด้วยกันสมสู่กันน้ํำหยดแรกนี่อยู่ในท้องของแม่เหมือนกับน้ํามันงาที่ประตั้งที่ก่อตั้งปฏิสนธิก่อตั้งปฏิสนธิของคนอยู่ในท้องของแม่เท่ากับน้ํามันงาหยดหนึ่งใสใสติ๋ง พอจากนั้นเขามาเจดวันน้ำมันงาหยดนั่นก็ขนขุ่นขน้นขึ้นมาต่อมาก็น้ำมันงานยก็เป็นสีแ่สีสีเนื้อต่อมากเป็นก้อนเนื้อเน้มว่าเป็นก้อนเนื้อกแตกเป็นปัญจะสาขาขาสองแขนสองสีสาหนึ่งปัญจะไปว่าห้าจากนั้นก็โตขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสามเดือน ก็รู้สึกแล้วสินีะกระดุกกระเดกไงใครว่าครบอวัยวะขึ้นมาแล้วนี่นี่แหละในกระดุกกระเดกนะั่นคือตัววิญญาณ น, นา ม, มาธรรมเลยเข้าไปยึดแล้วสีนอแต่ละดวงวิญญาณเข้าไปยึดไปยึดร่างนั่นแหละอไปยึดร่างที่อยู่ในท้องแม่อนอะจากนั้นก็เข้าเข้าออกออกเข้าบ้างออกบ้างเข้าบ้างออกบ้างอ่ะใครรักษาละนะสินะพอ อายุนานเข้านั่นเข้าหลายเดือนเข้ามาก็เข้าเป็นอยู่ประจำํำพออยู่ประจําจากนั้นก็คลอดออกมาคลอดออกมาก็นั่นแหละแปลว่าดวงวิญญาณนั้นครับลดออกมาจากในอู๋เลยละ่ะออกมาจากท้องแม่ออกมาข้างนอกนะเพราะนั้นมาให้ใจของเราเนี่ยลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นมันยากเลยเพอะไรเพราะใจของเรามันเข้าไปยึดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ตั้งแต่กาละละอย่างที่วานะพอออกมาแล้วก็นะเป็นตัวตนขึ้นมาจากนั้นก็ลุ่มหลงมัวเมามีความอะไรการศึกษาเรียนรู้อยากไปหมดเลยไงเพราะกิเลสอยู่ในอยู่ในใจดวงนั้นคือนามธรรมดวงนั้นเต็มเต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในนั้นแล้วก็การกำเนิด การกำเนิดเกิดของสรรวสัตว์ทั้งหลายในโลกมีอยู่สามมีอยู่สี่นีชลาพุชชาพุชชาเกิดในคันในคันก็อย่างมนุษย์เกิดในคันวัวควายช้างมา้า เ, เกิดในคันชลาพุชชาอันทชาเกิดในไข่ก็คือพวกไก่ไข่ไก่ไข่เป็ดไก่ห่านไข่นกยุงไข่นกทั้งหลายเนี่ยอันน่ยอันทชาสังเสทชา เกิดในเท่าในใครในเท่าในใครคือคล้ายๆแบบเป็นที่สิ่งที่หมักหมมอย่างพวกเราเอาตุ่มน้ําไปตั้งไว้มันมีน้ําแฉะๆก็มีพวกไส้เดือนแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมันสกของสิ่งที่ส ก, กปรกแต่ ว, ว่าอันทชชาทาั้งทั้งเสียทัชชาโอปปาติกะนะเกิดผดขึ้นนะเกิดผดขึ้นก็เหมือนเทวดาแล้วว่าสิ่งที่มันอุบัติขึ้น เป็นตัวตนขึ้นมาอันนั้นก็มีนะพระพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นกําเนิดเกิดสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอยู่สี่ชลาพุชะเกิดในคันสังเสริะชาเกิดในไข่อันทชาเกิดในไข่สังเสริะชาเกิดในเท่าในไข่ในไข่โอปปะเกิดเกิดพุทขึ้นกําเนิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมีอยู่สีสี่อย่างนี่แหละพวกเราเนี่ยเกิดในชลาพุชะ เกิดในคันนี่นแหละพอเกิดขึ้นมาแล้วพวกเราก็หลงมัวเมาเายึดมั่นว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของข้าจริงๆทีนี้ใครมาแตะมาด่ามาว่ามากล่าวไม่ได้เกิดโมโหโกธาหึงห่วงอย่างสุดๆฮะจากนั้นก็เมื่อจะนันก็ทําความชั่วได้มากมายเพราะว่าหามาใส่ร่างกายของเราอันไหนที่ถูกปั่งไม่ถูกปั่ง ทั้งค่าจัดตัดชีวิตทั้งมีอะไรต่อมีอะไรเพื่อมาให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับความสะดวกสบายแต่ถึงยังไงก็เถิดบัณฑิตนักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านมองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยลุ่มหลงมัวเมาติดอยู่ในกายของตนเองเนี่ยจนถอนตัวไม่ขึ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้แสงสว่างคือธรรมะให้พวกผู้มีปัญญาหรือว่า ผู้มีทุลีเบาบางหรือว่าผู้มีกิเลสน้อยหรือว่าผู้ที่มีได้บำเพ็ญทางศีลสมาธิปัญญาหาทางพ้นทุกข์มาแล้วนะเนีพระองค์สอนแต่ถ้าว่าผู้มีปัญญาปัญญาหยาบมีปัญญาหนาทึบ อ, อยอู่จิตหนาปัญญายับอันนั้นมองไม่เห็นสอนยังไงก็ไม่เห็น เ, เป็นว่า พวกนั้นมืดแปดทิศแปดด้านเนี่ยบอกกล่าวอย่างไรก็ไม่เชื่อเนี่แต่ผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ได้รับการอบรมผู้ที่สั่งสมบา ร, รมีมาพอสมควรแล้วพอโพดขึ้นมาเราก็ฝังทบทวนดูว่ามันจริงหรือไม่เนี่แหละเมื่อท่านสอนให้ฝังเราก็สอนให้รู้อะไร่พิจรารณาดูนะอร่างกายของเราเนี่ยถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงไปเตอะ บำลงบำเรอขนาดไหนไหนก็เถอะนะพยาจิตระดันะใจนะถึงจะอาหารดีขนาดไหนให้ทานก็เลี้ยงไปเถอะผ้านุ่งห่มดีขนาดไหนหามาใส่ให้มันนุ่งเถอะอยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนเม็ดกี่หมื่นกี่แสนรักษา เ, เต็มทรงจะเต็มเชลตีขนาดไหนก็เอามาใส่เถอะ แล้วที่อยู่อาศัยสร้างหรูหราโอ้อาขนาดไหนก็สร้างให้มันเถอะร่างกายนี่ไม่มีวันที่จะหนุ่มไปข้างหน้ามีแต่แก่เจ็บตายในที่สุดเอพออยู่นานเข้านานเข้าพออายุร้อยปีเท่านั้นแหละอนอนอยู่อยู่กับที่ะ อ, อยู่กับเตียงนะมีแต่ลืมตานะเอได้เกอะใ น, นป้อนข้า ว, วต่อไปน้ำไปก็นนั่นแหะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นตายเท่านั้นเอง เพราะนั่นะร่างกายนี้นะถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถนะนะใจนะท่านทั้งหลายนะนี่พระพุทธเจ้ากล่าวเตือนให้พวกเราใช้ปัญญาพิจารณาในเมื่อเราได้พิจารณาตามแนวแถวของพุทธะพระพุทธเจ้าได้สองแล้วพวกเราก็มองอู้ชายร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องตายแต่ตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจริงๆอีกสักวันหนึ่งเผาไฟแน่หรือฝังแน่ แต่นนี้เมื่อเราฝังแล้วตัวน้ำมะธรรมที่ว่าเข้าไปยึดครองนั่นน่ะตัวนั้นล่ะที่ไปยึดครองในการละละตั้งแต่ทีแรกนั่นน่ะคือน้มะธรรมตัวนั้นล่ะมันไม่ตายเลยพอมันออกจากร่างนี่แล้วมันก็ต้องไปหายึดที่อื่นอีกเพราะมันมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่มันไปหายึดไปเรื่อยแต่ถ้าว่าใจลรงนี้มันมีบาปกรรมมันก็ตกต่ำํำถ้าเป็นบาปอากุศลนะมันตกต่ํา ถ้าจิตใจที่สร้างบุญกุศลก็ไปทางสูง น, ะนี่แหละอันนี้เมื่อมาพิจารณาถึงจุดนี้แล้วนะท่านก็บอกว่าอย่าหลงใจนะในเมื่อพิจารณาร่างกายเห็นร่างกายตัวเองว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วให้ย้อนมาหาตัวผู้ ร, รู้คือใจย้อนมาหาใจใจอย่าหลงร่างกายนะใจนะี่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะนั่กายนะอใจนะจนะมันมีแต่ เท่าแก่ชราชราไปข้างหน้าตายในที่สุดไม่มีอะไรที่จะมากไปกว่านั้นเพราะนนใจอย่าหลงนะในเมื่อใจมาย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจมองใจมันมีอะไรในใจของเราเนี่ยมันจึงไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อเมื่อเมื่อเราไปมองมองมาหาใจแล้วเราก็เห็นอเนจังอเนจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรา จากนั้นเมื่อเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราใจของเราก็มองดูตัเองพิจารณาเห็นอันตริจังทุกขังอนัตตาจิตใจก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคําที่ว่านิพพทาคือความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นจุดนี้แหละให้เราเพราะเราพยายามหาจุดนี้มันไม่น่าถือมั่นไม่น่าจะยึดมั่นเพราะร่างกายมันเป็นอันตริจังทุกขังอนัตตา จิตใจเมื่อเเมืื่ออพิจารณาถึงจุดนี้แล้วจิตใจรู้แจ้งเห็นจริงเบื่อหน่ายจิตใจกระดุลพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละอันนี้เป็นปัญญาสัมมาทิฐิในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเรื่องปัญญาปัญญาจุนี้คือปัญญาอะไรปัญญาหาอยู่หากินปัญญาหาเลี้ยงชีพปัญญาคดโกงปัญญาตัวมากคนใช้ปัญญาทั้งหมดอันนี้เป็นปัญญามิจฉาทิฐิไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะ อันไหนเป็นทางที่ถูกต้องก็คือปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมันมีทั้งโลกก็เป็นสองมันกันทางธรรมเขามาลึกๆกเหมือนกันถ้าเราหลงว่าตัวเองจะไม่ตายก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันไทยคิดว่าเนี่ยนะร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตานะตามแนวแถวของอุทธะรู้แจ้งเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงอันนี้ก็คือปัญญาสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นะนขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะต้องใช้ปัญญา สัมมาทิฏฐิกันกลองไตรตองเหตุและผลดังที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันนี้ก็ได้พูดเรื่องปัญญาให้กับพวกเราเพราะก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้พูดเรื่องศีลวันอุโบโสถได้พูดเรื่องศีลจริยธรรมคือความประพฤติให้กับพวกเราได้ฟังหลายครั้งแต่บัด น, นี้ได้พูดเรื่องปัญญาความรอบรู้ในเรื่องต่างๆในกองสังขารตัวนี้จะเป็นตัวที่จะพวกเราจะ ทำลายทำลายกิเลสให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารไปได้นะต่อนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมกนะ์โอ้อากาศร้อนวานะ